เบื่องานจิตจะไม่เป็นปกติบ้างานจิตก็ไม่เป็นปกติถามตัวเองบ่อยๆครับตอนนี้เรากำลังไม่ปกติเพราะเบื่องานหรือเพราะบ้างานจิตจะเป็นปกติต่อเมื่อเห็นงานเป็นเครื่องรักษาจิตไม่ให้เบื่อจากการไม่มีอะไรทาและไม่ให้บ้าจากการต้องทำอะไรมากเกินไป สังเกตดีๆว่าปรับจิตปรับใจแค่ไหนถึงจะตั้งอกตั้งใจทำงานด้วยอารมณ์ปกติได้เบื่องานให้ตั้งเป้าไว้ว่าคุณจะทำงานเอาสมาธิจิตที่มีความพอใจในงานคือจิตที่จดจ่อกับงานได้โดยไม่ฝืนและจดจ่อได้ต่อเนื่องจนเกิดสมาธิคอยสังเกตใจว่าจะเอื่อยเฉยลงเมื่อใด จะสัดสายสร้นไปทางอื่นเมื่อใดแล้วปรับโฟกัสสายตาใหม่ให้เห็นงานตรงหน้าสังเกตด้วยว่าเปิดฝืนแค่ไหนหายใจทีหนึ่งแล้วผ่อนคลายลงบ้างไหมในหัวและในอกสงบจากแรงดึงดันให้หยุดทำงานบ้างไหมยิ่งสังเกตเห็นว่ามีจิตต่อติดกับงานได้แล้วรู้สึกมากขึ้นเท่าใด คุณจะยิ่งรู้สึกเป็นมิตรกับงานมากขึ้นเท่านั้นพูดง่ายๆเมื่อเลิกเห็นงานเป็นศัตรูเห็นงานเป็นมิตรเป็นเครื่องสร้างสมาธิจิตความเบื่องงานจะหายไปหรือน้อยลงกว่าครึ่งบ้างานบ้างานเกินไปคือการปรุงแต่งจิตให้หยุดคิดไม่ได้ มีความสุขกับชีวิตไม่เป็นถ้าขยันทำงานแต่ไม่ถึงกับบ้างานคุณจะมีสมาธิไม่ใช่จิตฟุ้งซ่านเป็นร่องวันในการใช้ชีวิตในทางปฏิบัติพองานไหลเข้าไม่หยุดแม้จะสนุกแต่ก็อดเหนื่อยไม่ได้ลองสังเกตดูว่าเราเร็วแบบเงียบหรือเร็วแบบร้อนหรือเร็วแบบแอบบ่นไปด้วย การเห็นความต่างระหว่างความเร็วหลายๆชนิดจะทำให้จับจุดถูกว่าวางจิตอย่างไรในขณะทำงานเพื่อให้เกิดภาวะยิ่งทำยิ่งนิ่ง